ผู้ทวีตสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบคะรายการสัสนสีสนทนามาอีกแล้วนะคะดิฉันสัสนสีนาคงเป็นผู้ดําเนินรายการแล้วก็มีพระมหาภับุญอภิปุณโญวัดป่าดอนายโซอุดรธานีจะให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของคําสอนของพระศาสดาที่ได้ตรัสเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะนําท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่การฝึกปฏิบัติในช่วงต้นซึ่งเมื่อวานถ้าใครฟังรายการแล้วจะได้รู้เลยว่าโอ้โหคุณค่ามหาศาล คือเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์แบบนี้หรือบางทีเราจะเห็นคนข้างๆเราเนี่ยนะคะชีวิตก็พอแล้วนะที่จะไม่ต้องไปวิตกกังวลถึงเรื่องอะไรที่จะมาทำให้จิตใจไม่สบายซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นความทุกข์และ ถ้าคนศึกษาพระพุทธศาสนาอันนี้จะรู้เลยเข้าไปอีกเลยว่าไอ้ที่เราเข้าใจว่าเรากําลังสุขๆุขหรือนะจริงๆแล้วพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสว่าล้วนจะเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเพราะว่าขึ้นอยู่บนความไม่แน่นอนนะคะมีขึ้นมีลงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ควบคุมไม่ได้เป็นต้นทีนี้ก็ ไ, ได้ฟังจากท่านเปรูน ะ, นะคะว่าอันนั้นนะ่ยคือเพราะความไม่รู้ เราก็จึงปรุงแต่งไปต่างๆนาะนาะนะแล้วท่านก็บอกว่าแต่ถ้าเรามีความรู้รู้ว่าไม่ปรุงแต่งก็ได้เราก็จะพ้นจากไอ้วงจรแห่งความทุกข์อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น <MJ>: แล้วท่านก็พูดถึงวิธีนะคะว่าวิธีที่จะไปถึงได้ในเบื้องต้น มีเรื่องของอาณาปานสติการฝึกปฏิบัติที่เราฝึกก็ไม่ใช่ตอนต้นรายการนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นตั้งใจนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปกราบสนทนากับท่านไตบูรณ์กันต่อโดยตอนนี้เราไปให้ท่านแนะนําวิธีการปฏิบัติกับเราสัก่อนหลังจากดิฉันได้กราบนมัสการท่านแล้วต่อไปนี้นะคะนมัสการค่ะทั้นคะเดียมพรเวลาที่เรามาฟังธรรมนั้นก็ให้เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติแต่การปฏิบัตินั้น เริ่มจากการใช้จิตของเราจิตของเราที่ไปรับรู้ทางหูไปรับรู้ทางตานะรับรู้ทางหูนี่ก็รับรู้เสียงรับรู้ทางตานี่ก็รับรู้รูปแสงสีต่างๆจิตเนี้ยจะไปทำหน้าที่ในการรับรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นก้อนเป็นสิ่งที่เป็นกองแข็งจับแล้วก็ตั้งอยู่เป๊ะๆอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันก็สามารถที่จะขยายได้หดได้ เลื้อยได้ไปเป็นรูปร่างนี้เป็นรูปร่างอื่นได้ไปในได้ทุกทิศทุกทางไปตามช่องทางทั้ง6แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่จิตถ้ามันไปรับรู้อารมณ์ใดเนี่ยด้วยอวิชชาด้วยความยึดถือที่มีอยู่ในตัวจิตอยู่เดิมแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ไปยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนสุขไปตามสิ่งนั้นบ้างทุกไปตามสิ่งนั้นบ้างในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงให้จิตเนี่ย มามีสติเพื่อที่จะได้พ้นจากความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นลนักษณะนี้ให้จิตนั้นมามีสติตั้งสติไว้นี่คือการปฏิบัติแต่ความรู้ที่เราฟังมาเรียนมานี่มันจะอยู่ในสมองผ่านมาทางหูจะให้ผ่านจากสมองผ่านมาทางหูเข้าสู่ใจได้ก็จึงต้องตั้งสติขึ้นความรู้จากสมองที่เราจะมาดํารงไว้ตั้งไว้อยู่ในใจของเราสติเนี่ยะจะเป็นตัวที่นํามาวิธีการที่เราจ ะ, จะเจริญสตินั้น ก็คือใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือทุกคนนั้นมีลมหายใจอยู่ล้แต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกครั้งหนึ่งเนี่ยจิตของเราก็มาระลึกรู้อยู่ที่นี่นคือโดยปกติแล้วเวลาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกครั้งหนึ่งร่างกายของเราก็เสื่อมถอยลงไปรอบหนึ่งแตะมีไฟเข้าไปเผาพลานอยู่ขึ้นรอบหนึ่งวงหนึ่งร่างกายนี้ก็สุดโมลงไปแก่ลงไปพูดไไง่ายๆก็คือใกล้ความตายก็ไปลมหายใจหนึ่ง แต่ในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าบอกว่าจิตของเรามาตั้งไว้อยู่กับลมหายใจก็คือมีสติโยจิตนั้มีสตินะจิตที่มีสติเนี่ยจะเป็นหนทางที่จะทำให้จิตนั้นเข้าสู่ความที่จะหลุดพ้นเข้าสู่ความเป็นนรรมะอีกลหมหายใจหนึ่งเพราะว่าสติที่เราตั้งขึ้นจากการที่เรามารู้ลหมหายใจเนี่ยสตินี้เป็นหนึ่งในสติประฐานทั้ง4ี่ เวลาที่เราตั้งสติขึ้นมารู้ลงหายใจเข้ารู้ลงหายใจออกอย่างนี้แล้วมันจะทําความที่เราจะพ้นจากสิ่งที่มาดึงรั้งกระแสที่มาจะรบเราสิ่งที่มาจะยั่วยวนจิตเนี่ยมีสติเป็นที่เล่นไปสู่สติเนี่ยก็จะพาจิตแล่นไปสู่ความเป็นมิมุติคือพ้นจากเจ้าสิ่งที่มากระทบสติที่พาจิตเล่นไปสู่ความพ้นจากสิ่งต่างๆนี้ก็จะสามารถที่จะทําให้ถึงนิพพานคือความที่จะพ้น เป็นนมตรรจากการที่ต้องมาหมุนวนการที่ต้องไปไปตามสังสารวัตรไปตามกระแสปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆเป็นวงจรของความทุกข์เราจะหลุดจากวงจรนั้นได้ด้วยการตั้งสติก้นลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกกายของเราที่มันจะเสื่อมไปถอยไปตายไปในวงรอบหนึ่งวงรอบหนึ่งไปเรื่อยๆจีตขอเราที่มารู้ลมหายใจทีละหนึ่งทีละหนึ่งก็จะทําให้เราเข้าใกล้วงโคจ ร, รที่จะหลุดออกจากวงจรนี้ คือความที่จะไปถึงความพ้นขืนนิพพานนี้ได้ซึ่งลักษณะการฝึกเนี่ยเราทำได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานการเดินทางอยู่หรือว่านั่งการทำเป็นรูปแบบก็ตามแต่การฝึกนี้เป็นลักษณะการสะสมเป็นลักษณะเป็นหนทางที่เดินไปแต่คือเหมือนเหมือนกับมีทางสองทางนี่แหละถ้าเดินไปทางซ้ายมันก็จะไปตามวงเวียนเป็นเหมือนเขาวงกฏแต่ถ้าจะออกจากเขาวงกฏเราต้องออกมาทางขวา ทางขวานี่ก็คือเดินมาตามทางสติเดินไปตามทางเหมือนกันมันจะหลุดจากเขาวงกตนี้ได้แต่ถ้าเดินไปทางซ้ายนะระวังให้ดีมันจะเข้ากลับไปในเขาวงกตซึ่งการเดินทางตรงเนี้สามารถที่จะปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจาวันของเราได้ในขณะที่คุณทํางานาเรารักษาศีลให้ดีแล้เรามาตามทางในขณะที่เจอปัสสาวที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเราอดทนให้ดีแล่วเราก็จะมาตามทางการทำไปอย่างนี้จะทำให้เราหลุดออกจากสารวัตรและมีความสุข ไปสู่ที่ที่จะจิตมีความสบายเป็นอย่างนี้ได้เชิญผ่อนใช่คุณค่ะฟังท่านแล้วไม่อยากหายใจเลยนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าทุกครั้งที่หายใจก็ไปในอายุบรรษั้นลงไปหน่อยนึงอันนี้มัน<า><า>เป็นเป็นเรื่องของธาตุไฟ <S <S ในธ <ใน S 1> าตุไฟเนี่ยพระพุทธเจ้าให้คํานิยามมาไว้ว่าคือไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้แก่ชราเพราะฉะในกายเรามีธาตุไฟสิ่งที่จะไปเลี้ยงธาตุไฟก็คือลมนั่นเอง เหมือนอย่างไฟที่เราจุดอยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้ามันไม่มีอากาศเป็นออกซิเจนเนี่ยมันก็เป็นเปลวติดขึ้นมาไม่ได้เป็นความร้อนไม่ได้ที่เดียวกันในกายของเรามีธาตุไฟอยู่ได้ก็ต้องมีอากาศเข้าไปก็เป็นการเผาผลาญนี่มันธรรมดายแล้วนะมันเป็นวงรอบของมันค่ะแต่เพื่อให้ท่านสบายใจว่าดิฉันฟังทำแล้วก็ได้ประโยชน์เนี่ยนะคะก็คือว่าก็ได้รู้ว่าเพราะฉะนั้นอยากกลับมาอืมใช้ลมหายใจ ที่เมื่อหายใจวิธีหนึ่งก็ทอดายุไปหนึ่งลมหายใจนี้ในการที่จะทำสติให้ดีขึ้นให้ได้เจนพานค่ะสิ่งที่อยากจะกลับเรียนถามท่านนี่นะคะก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราเนะะี่ยค่ะท่านได้พูดถึงการอยู่ร่วมกับความเชื่ออื่นอย่างไรไว้หรือไม่คะในทางคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยนะ ก็มีความชื่ออื่นๆอยู่หลายอย่างแล้วถ้าพูดง่ายๆก็คือมีตั้ง62ลัทธิก็เรื่องของทิฏฐิ62สพูดง่ายๆก็คือมี62ศาสนาแล้วในสมัยก่อนนั้นน่ะนะต่แต่ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแตพอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยก็พระองค์ก็ไม่ได้ไปสนใจที่จะประกาศศาสนาที่63หรือว่าเป็นลัทธิคําสอนแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าเป็นคําสอนที่จะทําให้เกิดความพ้ทุกข์เพราะว่า คนที่ถ้าปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามมันก็ยังอยู่ในผัสสะแั่นก็จะอธิบายในลักษณะนี้แล้วแต่ไม่ใช่ว่าปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างในสมัยนั้นหมดแตคือบางคนเข้าใจผิดเนี่ยก็คิดว่าโอ้สมณะโคดมนี่ปฏิเสธสิ่งอื่นหมดว่าตัวเองดีคนอื่นแย่หมดแต่ พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยยืนยันชัดเจนในยืนยันชัดเจนว่าเอาอันไหนที่ดีเช่นบางคนเขาอยู่ในรับที่อื่นเนี่ยเขารักษาศีล น, นะเช่นพวกพรามอย่างเงี้ยพวกที่รักษาศีลก็มีเออเขาก็ มีศาสนาปราม์เป็นลทัทธิของเขาใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มีก็มานับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปแบ่งแยกกับคนนั้คนนี้แต่เปมีการชี้ช่องให้เห็นทางว่าจะทําให้เกิดการพ้นทุกอย่างไรดังเพราะฉะนั้นอันไหนที่ใครที่ทําดีอยู่แล้วเนะ่ยเช่นศาสดาองค์นั้นเขาพูดถึงเรื่องของการมีเมตตาพระพุทธเจ้าก็อย่างยกย่องเออเป็นการเป็นคําสอนที่ดีหรือศาสดาองค์โน้น เขาบอกว่าชีวิตนี้มนุษย์นี่มันอายุน้อยเออก็เป็นความเห็นที่ดีที่ถูกต้องพระบุทธเจ้าก็ยังเคยเอามาพูดถึงอยู่ตรงนี้นะค่ะงั้นก็เท่ากับว่าในสิ่งที่ดีหลายๆสิ่งเนี่ยที่ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนๆกันหมดเช่นเมตตาดีกรุณาดีไม่เบียดเบียนใครดีพวกนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยจะมีอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ดีทั้งนั้นใช่ ผู้บริชาก็จะยกย่องบุคคลที่ทําแบบนั้นไม่ว่าเขาจ ะ, ะอยู่ในลทัทธิใดศาสนาใดหรือว่าวันณะใดก็ตามค่ะหรือแม้แต่บางคนอาจจะไม่บอกว่าตัวเองหรือปฏิเสธด้วยซ้ําว่าตัวเองเป็นคนอยู่ในศาสนาใดในความเชื่อใดอืแต่ว่ามีความเชื่อของตัวเองเนะ่ยเชื่อว่าสิ่งที่มีคุณค่าร่วมอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนี้ก็ได้รับการยอมรับหมดก็เท่ากับว่าถ้าจะเข้าใจให้ชัดเราจะไม่เคย ได้ยินนะคะว่าพระพุทธองค์จะปฏิเสธการอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นแต่ว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นคือมีทั้งความเชื่อที่เชื่อร่วมร่วมกันอยู่ในความเชื่อในคำสอนของท่านด้วยแต่ท่านเป็นผู้ที่ค้นพบว่าถ้าจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เนี่ยพ้นได้อย่างไร นะคะแล้วก็สามารถท้าทายให้มาปฏิบัติตามาด้วยตนเอคื อ, ค อ, คอถ้าถ้าเราจะเหมาเนี่ยมันจะเหมาไม่ได้นะคุณผูมติวคือหมายความว่าคําสอ ง, องพุทธเามีมีร้อนตะ์สมมตินนะที่บอกที่สอนมามีร้อถ้าเปเรียบเทียบเนี่ยคำสอกนก้นๆเดินที่เขามีร้อเปอซเขาเป็นยังไงเนี่ยถ้าจะไปยอมรับของเข100้อยเปรเนต์อนี้ก็จะจะไม่ใช่เพราะพุทธเจ้าก็จะแจกแจงออกว่าส่วนนี้ดีส่วนนี้ยังไม่ต้องพูดถึงนะแต่ถ้าส่วนนี้ที่เขาทําดี เหมือนกันตรงนี้ก็มาเปรียบเทียบกันได้นะ ค, ค, คือต้องแจกแจงออกไม่ใช่ว่าเหมารวมหมดนะต้องแจกแจงออกว่าอะไรเป็นอะไรส่วนนี้ยอมรับได้โอเคดีแต่ส่วนที่ยังไม่ได้ลงกันก็ยกไว้ก่อนก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ ะ, ค ะ, ะเราก็มีความรู้สึกว่าสังคมโลกเนี่ย ก, กว้างใหญ่เพศาลนะนะคะมีมนุษย์โลกอยู่เป็นจานวนมากเรื่องของความเชื่อจะให้เหมือนกันหมดเนี่ยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ไไดแต่ว่าบางที คนที่เชื่อไม่เหมือนกันก็ต้องมาอยู่ใกล้ๆกัน อ, อาจจะต้องมาทำอะไรร่วมกันด้วยซ้ำบางทีในครอบครัวเดียวกันหรือแม้แต่กระทั่งสามีพัญยานนี็ยังมีความเชื่อนะคะว่าต่อให้รักกันมากเพียงใดก็ต้องมีสักบางครอบครัวละที่เห็นไม่เหมือนกันเชื่อไม่เหมือนกันอืมคือลักษณะของความที่เห็นต่างกันเชื่อต่างกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาสวะเรื่องของกิเลส ที่พอกพูนในใจของคนเนี่ยมันปริมาณมากน้อยไม่เท่ากันแต่นะไม่แบบมีความคิดเห็นไปต่างกันหรือแม้จะเหมือนกันในทํานองเดียวกันแต่ก็ยังมีแบบแตกต่างกันไปอีกเอาแค่ว่าสาวกในาศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีเห็นต่างกันก็มีแต่ก็เชื่อพระพุทธเจ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยก็เป็นไปไดนะ้แล้วก็ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ตรัสไวช้ชัดเจนนะคุณโยมตัต้งแต่ตอนที่อยู่ใต้ต้นไทร อันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพ้ตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยยังไม่ได้ไปสอนใกลเลยก็ตามนะก็แบ่งคนในโลกนี้ออกเป็น3 ส, ส่วนนะคือคนที่ถึงแม้จะได้เห็นถึงแม้จะได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นมาไม่ได้เขาจะไม่สามารถที่จะมาตามทานองกรองธรรมเขาก็ยังจะไปตามเรื่องของเขาอยู่อันนี้ก็แบบหนึ่งนะหรือแบบที่สอง ถึงแม้ไม่ได้เห็นก็ตามไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่ได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยพวกนี้เขาก็ยังทําความดีของเขาอยู่ได้มาตามตานองกลองทำอาจจะเร็วบ้างอาจจะช้าบ้างแต่ก็ยังรักษาศีลได้มาอยู่ในเรื่องของการไม่เบียดเบียนอยู่ตามตานองกลองทำแบบนี้ก็มีนี่คือประเภทที่2 ส, ส่วนประเภทที่3นี่คือต่อเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือต่อเมื่อได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะสามารถอยู่มาตามตานองกลองทำได้แต่ถ้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้า ไม่ได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมาอยู่ตามตํานองกลองธรรมประพฤติทธรรมมันจะไม่ได้มันจะไหลไปตามกระแสสุขบ้างทุกบ้างคนชักชวนไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลายตามไปถ้าไม่ได้ยินไม่ได้เห็นนะคนประเภทที่สาแบบนี้ก็มีนะคําสอนในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณโยมติว๋วที่เรามาพูดกันเปล่าวปลทุกวันตั้งแต่มันจะรนึงสุกเนี่ยเพื่อคนประเภทที่2นี้เท่านั้นเพื่อคนประเภทที่สองนี้เท่านั้น เพราะว่าคนประเภทแรกเนี่ยตอให้เขาได้ยินหรือเขาไม่ได้ยินเนี่ยเขาก็ดีขึ้นมาไม่ได้เขาก็ยัง <ải> แบบไปตามเขาไปตามเรื่องตามราวของเขาไปหรือคนประเภทที่สองย่างเงี้ยเขาก็ดีของเขาอยู่แล้วแต่ตอนให้เขาไม่ได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็ยังดีของเขาอยู่แต่ทีนี้ก็ไม่มีปัญหาโลกระดีไปอาจจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ในช่วงนั้นนะแต่คนประเภทที่สนี้เท่านั้นที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นแก่บุคคลประเภทนี้จึงประกาศธรรม แล้วก็อาศัยคนประเภทนี้นะนี่เป็นพุทธบุเลยนะแล้วก็อาศัยคนประเภทนี้ยอีกเหมือนกันคือคนประเภทที่สามเนี่ยจึงต้องประกาศธรรมแก่คนทั้งหนึ่งและสองด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เขาแบบต่อให้เขาจะได้ยินเขาจะไม่ดีขึ้นมานะจะแย่อยู่เหมือนเดิมเราก็ต้องประกาศธรรมให้เขาฟังอ้าวทำไมอะ่ะเพราะนี่คือลักษณะของธรรมะคือลักษณะของธรรมะว่าแบบเชิญคนเข้ามาพิสูจน์ต่อให้เขาจะไม่ได้ดีอ่ะจะดีไม่ได้ต่อให้มาปฏิบัติธรรมก็ตามได้บ้างนิดหน่อย แต่ก็ต้องเชิญเขาก็ามาพิสูจน์เพราะว่าเป็นลักษณะของธรรมะเราต้องอาศัยคนประเภทที่3เนี่ยเพื่อที่จะประกาศทําให้คนหนึ่งและ2องฟังด้วยนีคือนี้ลักษณะของธรรมราชานะคุณอย่าเดีวนะคือพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชามีความเคารพธรรมมากไม่ใช่ว่าฉันจัดแต่งมาให้เธอกินเค้กเฉพาะกลุ่มนี้กินเท่านั้นกลุ่มอื่นไม่ต้องกินนะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ด้วยความเป็นธรรมราชาเนี่ยจัดแต่งเหมือนกันหมดเพี้ยพร้าเหมือนกันหมดใครมากินก็กินได้ แต่ว่าจุดประสงค์ที่ทำตั้งแต่แรกเนี่ยให้คนกลุ่มที่สามที่เขาจะรู้ได้มาริมรสของธรรมะได้เป็นอมตะรสได้จะเป็นกลุ่มที่สามเท่านั้นอย่างเงี้นะเพราะฉะนั้นความที่เป็นใหญ่ในธรรมะเนี่ยก็ต้องกว้างขวางต้องหละเอีรอบครอบมีความไม่หลาหลวมด้วนยะความเป็นธรรมราชาจัดการปกครองคุ้มครองโดยธรรมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคําสอนของพอระพุทธเจ้าฟันธงเลยว่าไม่ใช่สําหรับทุกคนพูดง่ายๆนะ คือเราไม่ใช่ว่าจะเอาทุกคนไปนิพพานหมดมันมันไม่ใช่สมัยนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนะราจะสังเกตดูได้จากการที่โลกในปัจจุบันเนี้ยมันค่อยคอย่ค อ, ยคอยแย่ลงแย่ลงใช่ไหมจากที่ที่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีในหลายพระสูตรเนี่ยมนุษย์อายุ 80,000 ปีแตนะ่ทำความชั่วก็อายุลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆนะรุ่นลูกก็อายุไม่ยาวเท่ารุ่นพ่อแม่รุ่นหลานก็อายสอุสั้นลงไปอีกสั้นลงปีสั้นลงไ ป, ไปอีกเนี่ย เพราะว่าสิ่งที่เป็นอกตศุรธรรมที่ทำกันมาทํากันมาทำกันมาเพิ่มปูนขึ้นมาเรื่อยเจากอายุ 80,000 ปีก็จนตอนนี้อายุคนประมาณ100ปีแต่คนประมาณ100ปีแล้วก็จะค่อยๆลงไปถึง10ปีด้วยใน่ตอนนี้ไอ้ช่วงที่ขาลงทั้งหมดเนี่ยนะการลงทั้งหมดเนี่ยในกับนี้เราจะสังเกตว่ามีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสกัดไว้ตลอดเลยมีพระพุทธเจ้ากัสปะมีพระพุทธเจ้าโกนาคามณะนี่คือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านี้และในปัจจุบันนี้ก็คือโคตมะคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาสกัดเอาไว้สก สกัไว้ตอนจังหวะขาลงสลบลงเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อต้านทานทว น, ทนกระแสของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันนี้คือเราจะ เ, เห็นได้เห็นได้นี่ก็องค์ที่สแล้วนะคือโคตามาของเราเนี่ยเป็นองค์ที่สี่ทีนี้พอตามจากนี้ไปเนี่ยก็ถึงจุดที่สุดๆุดละอายุสิปีใช่ไหมมนุษย์อายุสิปีแล้วพออายุสิปีเกิดการฆ่ากันเต็มที่แล้วนะแล้วก็เหลือรอดมาได้ตั้งใจที่ทํากุศลธรรมกันต่อไปเนี่ยก็ขาขึ้นแล้วทีนี้อายุมนุษย์จากสิปี แล้วก็ขึ้นมาเป็นยี่สิบปีคือลูกลของคนที่อายุสิปีเนี่ยก็ยุเกินพ่อแม่ไปอีกหลานก็ยุเกินกว่ารุ่นลูกไปอีกมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งอายุถึง 84% ดหมี่ันปีครั้งหนึ่งตรงขาขึ้นใ น, น, <ะ>นะคุณโยมติ๋วนะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสสรูนะไม่มีอ๋อเหรอคะไม่มีเลยจนกระทั่งสูงสุดแล้วจนไปต่อไม่ได้แล้ว8ปดหมสี่ันปีแล้วเนี่ยตรง น, นั้นน่ถึงจะมีพระพุทธเจ้าชื่อเมตยะมาตรัสรู้อ๋อดังนั้นเนี่ย หลังจากพระพุทธโคโดมคือหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ที่เราอยู่ในธรรมะของพระองค์แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอีกจนกว่ามนุษย์จะมีอายุแปดหมื่นกว่าปีแน่ลรอคะถูกต้องค่ะ ข, ขึ้นคนมันดีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่จมําเป็นต้องมีใครมาบอกค่ะ<า>คนมันดีอยู่แล้วอ่ะเขารู้จักที่จะทํากุศลธรรมกันแล้วแต่ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าอาศัยความกรุณามาตรัสสรุปอะไรต่างๆไม่มีอาจจะมีปัจเจก พ, พุทธเจ้ามาอยู่ในระหว่างนี้อาจจะมีอยู่ ก็ท่านก็รู้ตำไปของท่านคนเดียวใช่ไหมแต่รัสรู้ไปนิพพานไปแต่ว่าในช่วงนั้นจะไม่มีจนกระทั่งมันเต็มที่ละะจนกระทั่งแบบไปต่อไม่ได้แล้วสุดแล้วตอนนั้นก็คือจะมีพระพุทธเจ้าเมตตายะมาขนคนจํานวนมากไป ล, ละหลังจากนี้ไปโลกอันนี้ก็จะแตกนะถึงสิ้นสุดกลับไปอ๋อเหรอคะอืคือเหมือนกับว่ามีจุดโลกแตกด้วยเออมีมีทฉันฟังตอนแรกอย่างนึกว่าอ๋อขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้เดี๋ยวเลีวเสื่อมเดี๋ยวดี พอดีแล้วเดี๋ยวคงจะลงมาเสริมอีกแต่พอท่านพูดถึงพระศีอรยะเมตรายนั่นดูเหมือนกับท่านบอกว่าต่อไปในโลกแตกเลยก็จะต่อไปนั้นอีกนานนะอีกนานนานอีกนานอยู่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยเป็นในพระสูตรหลายๆพระสูตรรวมกันที่เอามามาพูดให้ฟังเยอะๆที่เนี่ยนะค่ะท่านคะอดังนั้นดิฉันเองเคยมีประสบการณ์นะคะเคย ได้ฟังพระสงฆ์บางรูปท่านพูดโอ้ยไม่ต้องศึกษาถึงไปนิพานหรอกอ่าก็ตอนแรกก็รู้สึกปแปลกๆแต่พอมาฟังอย่างนี้ดิฉันว่าไม่แปลกก็ดูเหมือนกับว่าท่านคงจะทูดสรุปว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนทุกคนให้ไปนิพานอย่างั้นไหมคะอืมคือหมายความว่าเราต้องมาพิจนารณาตัวเองว่าเราเป็นคนกลุ่มไหนค่ะเพราะว่าอถ้าเราดูได้เช่นคนที่เขาไม่ได้มาฟังธรรมเนี่ยนะคนที่เขาไม่ได้มาฟังธรรมเนี่ย คือหรือแม้แต่ว่าเราเอาอซีดีมาให้เขาเขายังไม่ไม่ไมไมหรอกไม่ไปหรอกอันนี้คือกลุ่มแรกที่พูดถึงว่าต่อให้ได้ยินได้ฟังมันก็ไม่รู้เรื่องขึ้นมาได้แต่ถ้าผมว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้คนที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าถ้าฉันไม่ได้ฟังทำนะฉันไม่ได้มาว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยฉันจะอย่แบบว่าเบลเบลมึนมึนแล้วก็แบบทําอะไรไม่ดีไม่งามยังทําอยู่เนี่ยแต่พอได้ฟังทำแล้วรู้สึกดีรู้สึกสบายใจอันนี้แสดง ว, ว่าคุณเป็นคนประเภทที่สาม ที่พระพุทธเจ้าประรารากาศธรรมก็เพื่อคุณนะะั่น <c oughs> แหละก็เข้าใจไหมคือเพราะว่าเราได้ฟังธรรมเราจึงรู้สึกสบายใจแต่ถ้าวนไหนเรารไม่ได้ฟังธรรมเราจะไม่สบายใจจะทำบ้าบา้บาบอๆผิดบ้างโกรธบ้างเครียดบ้างอ่าแสดงว่าธรรมะนี่สําหรับคุณนะคุณประเภทนี้นะคุณเป็นคนประเภทที่สามที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยก็เพื่อคุณนะค่ะแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังจะต้องอาศัยคุณนั่นแหละในการที่จะแสดงธรรมให้กับคนที่ถึงแม้เขาจะไม่ฟังถึงแม้คนที่เขาจะฟังแล้วเขก็ยังยังดีอยู่คือคือคนที่ ฟังแล้วแล้วจะยังดีอยู่เนี่ยคือต่อให้เขาไม่ได้ฟังทำเขาก็จะดีของเขาอยู่แล้วคือถ้าเราเป็นคนแบบนั้นแสดงว่าเราเป็นคนกลุ่มที่2ไงที่ต่อแม่เมื่อไม่ได้ฟังก็ตามเ่ยก็ยังดีอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้ฟังแล้วเรารู้สึกไม่ดีได้ฟังแล้วรู้สึกดีแสดงว่าเราเป็นคนกลุ่มที่3ที่ประพุทธาประกาศธรรมก็เพื่อพวกเราแบบเนี้ยคนย <S <S <ๆ>คที่ไม่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมแล้วรู้สึกว่าดีสบายใจแต่บุคคลประเภทเนี้ยพระพุทธเจ้าต้องอาศัยจะต้องอาศัย คำว่าใสในที่นี้เนี่ยก็หมายความว่าเป็นหลักในการที่จะบอกต่อคําสอนนี้ไปเป็นหลักในการที่จะเป็น testimonial ว่าเฮ้ยทำแล้วมันได้ผลดีจริงๆนะฉันไม่ทำแล้วมันไม่ได้แต่ฉันทำแล้วฉันได้อย่างเงี้ยเพื่อเป็นการชักชวนคนให้หมุนตามธรรมจักรที่พระบุทรเจ้าเนี่ยหมุนเอาไว้แล้วแต่พวกนี้เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ที่ดีที่ดีที่มาอยู่ตามตำนองกลองตำ่ำคือในคําสั่ของพระบุทรเจ้าเนี่ยนะคุณยมติว๋วพระพบุตรเจ้าอธิบายไว้ว่า สมัยนั้นเนี่ยมีสามเณรจุนทะเขาอยู่ที่เมืองปาวาแล้วก็มีเจ้าลทัทธที่ชื่อวนิครนนาถบุตรเนี่ยเขาเสียชีวิตไปตอนนั้นแล้วก็ปรากฏว่าพวกลูกศิกค์นิครเนี่ยแตกกันหมดเลยพวกนักบวชก็แต ก, กกันพวกอุบาสกเบสิกาในคําสอนั้นก็แตกกันจุนทะสามเณรทราบเรื่องนี้แล้วก็เลยรีบนําข่าวมาบอกท่านพระอ น, นุหน้าตาตื่นมาเลยท่านพระอ น, นุได้ฟังข่าวนี้แล้วก็ชักชวนกันไปหาพระพุทธเจ้าว่าไอ้ยเรื่องนี้มันสําคัญมากเลย ต้องไปบอกบรรดาเจ้าว่าจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงอันนี้คือช่วง18เดือนสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะคุณโยมติว๋ว<ะ>ในช่วง18เดือนสุดท้ายเนี่ยโอ้มีเหตุการณ์สําคัญสำคัญเกิดขึ้นหลายอย่างเช่นนิโครนาตรบุตรเสียชีวิตพ ร, วพระเจ้าเปรตทนิโกศล ส, สมาโคตท่านพระมหาโมคลานะกับท่านพระมหาสารีบุตรเนี่ยก็ปรินิพพานในช่วง18เดือนนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์สําคัญสำคัญ น, นี้เกิดขึ้นอยูนะ่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่นิครเนี่ยเขาเสียชีวิตละ่นะนําข่าวนี้มาบอก พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้คุณโยมติวท่านบอกว่าเนี่ยแหละถ้าผมว่าผู้สอนผู้สอนนะในคําสอนไหนก็ตามเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นสัมมาสมัมพุทธะถ้าไม่ได้เป็นสัมมาสมัมพุทธะนะการประกาศธรรมนั้นก็จะไม่ดีเพราะประกาศธรรมไม่ดีถ้าสาวกไปทําตามสาวกนั่นจะควรจะถูกตีเตียนเพราะคุณไปทําตามสิ่งที่มันไม่ดีแต่ถ้าถึงแม้ว่าคนที่พูดเนี่ยไม่ได้เป็นสัมมาสมัมพุทธะพูดออกมาคําสอนก็ไม่ได้ถูกต้อง100สมบูรณ์บริบูรณ์ แต่ถ้าไม่ทําตามนะไม่ทําตามนะเออคนนั้นเนี่ยมันดีเพราะว่าเขาไม่ได้ทําตามสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมทีนี้ในทางตกลงข้ามตัวว่าศาสนานี่ก็เป็นสามาสามุทธะดีด้วยคําสอนนี่ก็ประกาศไว้อย่างดีแล้วแล้วก็ทําตามด้วยแหมอันนี้จะดีมากสาอย่างนี้คือพุโทโธธโมสังโฆนะมีพุโทโธธโมสังโฆทีนี้พอมีพุโทโธธรรมสังโฆแล้วสาวกเนี่ยทําดีจนถึงขนาดที่เรียกว่าสามารถที่จะรู้ตามศาสดาได้คือพูดง่ายๆคือเป็นพระอรัน สามารถคมขี่ประวัติธรรมเป็นค่าศึกให้ราบค่าไปโดยทําได้สามารถแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าสะใจได้โอ้ น, นี้ยิ่งดีขึ้น ค, คือถ้ามีผู้โทรธรรมโมสังโฆแล้วแล้วก็มีเฉพาะคนที่พระพุทธเจ้าสอนในรุ่นแรกที่ตรัสรู้ตามแต่ไม่ได้มีคนที่สามารถที่จะแสดงธรรมให้คมเฉียบคมได้เหมือนที่รบระพุทาบอกเนี่ยแหมมันก็จยียงไม่ดีแต่แต่ถ้ามีคนที่แสดงธรรมได้เฉียบคมสามารถที่จะคมขี่ประวัติธรนเป็นค่าสึกได้เอออันนี้มันดีแต่ถึงแม้จะมีคนแบบนี้แล้วเป็นแค่พิกษุเทราะเนี่ย แต่ถ้าไม่มีรุ่นต่อไปมาเสริมไม่มีภูษุิกษุบูนกลางมาเสริมเนี่ยพวกนี้ตายไปมันก็จะจบมันก็จะไม่ดี ไ, ไงเพราะฉะนั้นการที่มีภิกษุปูนกลางมาอยู่ด้วยเนี่ยที่คอยศึกษาทําความเข้าใจเฮ้ยนี่นมันจึงจะดีนะซึ่งพอมีภิกษุปูนกลางแล้วรุ่นต่อไปมาแล้วใช่ไหมมาเสริมเติมทับเข้าไปเนี่ยแต่ถ้าไม่มีภิกษุรุ่นใหม่่ภิกษุที่บวชใหม่มาในทางคําสอนปฏิบัติอย่างดีเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะมันก็จะไม่ดีแต่ถ้ามีภิกษุรุ่นใหม Man Th Man Th Man M S M ่ที่มาเสริมทับแล้วมีทั้ง มีทั้งที่เป็นเถระสามารถกรมขีประวาา่านเป็นข้าศึกได้แสดงธรรมได้อย่างดีมีทั้งที่ปูนกลางมีทั้งที่ใหม่ที่ปฏิบัติ ด, ดีตามสี่งกันมาเนี่ยแต่ถ้ามีแต่นักบวชอย่างเดียวนะไม่ได้มีอุบาสกอุบาสิกามันก็มัยังไม่ดีนต่ก็ต้องมีอุบาสกอุบาสิกาด้วยอุบาสกอุบาสิกาที่ประพฤติพรหมจรรย์มาในแนวทางที่จะอุทิศตนไม่นในทางคําสอนแต่ว่ายังทําได้มากบ้างน้อยบ้างก็ตามกําลังใช่ไหมเอ้มันถึงจะดี แต่ถ้ามีอุบาสกอุบาสิกาพูดที่ประพฤติประมาจย์แล้วเนี่ยยังไม่มีอุบาสกอุบาสิกาที่ยังอยู่ในครองเรือนปฏิบัติครอบครัว อ, อะไรต่างๆถ้าไม่ได้มีพวกนั้นที่ยังรักษาศีหน้าเนี่ยมันก็จะยังไม่ดีเพราะว่าผู้ที่สนับสนุนก็จะไม่มีแต่ถ้ามี <S <S ด้วยเนี่ยนะแม้มันจะดีมากในคําสอนใดนะคุณโยมติว๋วในคําสอนใดพระบรุตรชาบอกในพระสูตรนี้เนี่ยชื่อปาสิยสูตรเนี่ยบอกว่าในคําสอนใดกต็ตามที่ศาสนาเป็นสมมาสมบูตะ มีคําสอนที่ประกาศไว้ดีแล้วมีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือมีผุ陀โตโโมโังโกนะและมีพระเถระผู้ที่สามารถข่มขีพระบาเทาเป็นข้าสื่อแสดงทําได้โดยน่าสะใ์มีภิกษุปูนกลางภิกษุใหม่รวมถึงนักบวชที่เป็นผู้หญิงผู้ชายด้วยมีหมดเลยนะแล้วก็ อ, อุบาสกอุบาสิกาทั้งที่ประพฤติพรหมจรรย์และทั้งที่บริโภคการที่ครบถ้วนพร้อมมูลอยู่อย่างนี้เนี่ยให้มีความมั่นใจเลยว่าคุณจะไม่เห็นอะไรอย่างอื่น ถ้าคุณเห็นตรงนี้นะคุณจะไม่เห็นอย่า ง, อ, างอื่นนะคเนี้ยคุณยมติวพระบริจาบอกบอกว่าคนที่พูดคนแรกเนี่ยคืออารัฎดาบทกลามโคตรอารัฎดาบทกลามโคตบอกว่าเห็นก็เหมือนไม่เห็นนี่ท่านว่งางี้แต่ท่านยกตัวอย่างนี้บอกว่าอย่างเช่นว่าเราเห็นด้ามมีดเห็นเห็นสันมีดเนี่ยนะสันมีดใช่ไหมสันมีดถ้าเรามองจากสันมีดลงไปเนี่ยเราจะมองไม่เห็นคมมีดท่านว่งางี้นี่อารัฎดาบทพูดนะ เห็นมองจากสันมีดลงไปเราจะไม่เห็นขคมมีดการเห็นแบบเนี้คือเห็นก็เหมือนไม่เห็นซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าอันเนี้ไม่ถูกบอกว่าอาราธดาบทกลัมมโคดสอนไม่ถูกแต่ตนี้คือฐานะที่ควรตีเตียนนะของท่านฐานะที่ควรยกย่องพระพุทธเจ้าก็เคยยกย่องอาราธดาบทกลัมมโคดว่าเป็นผู้ที่มีตุลีนเดียวดงตาน้อยนี่หรือไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะจาแจกแจงออกแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะตรงนี้เป็นคําของอาราธดาบทกลัมมโคดที่ยกตัวอย่างเป ร, เรียบเทียบยังไม่ถูก เพราะว่ามันยังคุณยังไม่เห็นอีกด้านนึงอ่ะคุณจะไปรู้ได้ไงว่ามันดีไม่ดีใช่ไหมรนัตัวอย่างนี้ไม่ถูกแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าการเห็นที่ไม่เห็นจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างนี้บอกว่าถ้าคุณเห็นในคําสอนใดที่ครบถ้วนพร้อมมูลบริบูรณ์อย่างนี้คือศาสดาเป็นสัมมาสัมพุโตพระธรรมนั้นเป็นสวากขาตะพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันนต์แล้วมีพุทโธธโมสังโฆเต็มที่แล้ว มีนักบวชทั้งผู้ชายผู้หญิงมีอุบาสกอุบาสิกาทั้งที่ประพฤติพระมาจั์และบริโภคกรมครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจะไม่เห็นในคางคําสอนอื่นใดเลยที่จะเสมอด้วยสิ่งนี้คุณจะไม่เห็นเลยนี่คือเห็นเหมือนไม่เห็นอันนี้ข้อมูลที่มาในปาสิยสูตรไปหาอ่นได้ในทีฆานิกายอาลมาอนถึงตรงนี้นะ ค, คนลุกสู้เลยคุณโยมตีว่าโอ้ยพระรพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำไว้ให้หมดทุกอย่างแล้ว ประกาศ ท, <zek zem S 1> ทำไว้อย่างดีแล้วตัววโรงเป็นสามาสมปุธทธาแล้วเป็นพุโทโธแล้วประกาศ ท, ทำไว้อย่างดีแล้วธรรมะเป็นสวัสดิ์ตาแล้วมีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปันน้าแล้วเราสมัยนี้เรามีไหมพระเถระ ท, Inaudible ที่สามารถข่มขี่ปรับวะ่าท่านเป็นข้าสึกแสดงธรรมโดยความน่าศสะใจได้มีไห bon? มมีนะมีไหม <BC S 1> <า>พิกสุปูลกลางที่ปฏิบัติ ด, ดีมาตามศีลมีไหมมีนะเรามีไหมพิกสุใหม่ที่เป็นรุ่นใหม่ๆเข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะปริดัตดีปฏิบัติงามมันมีนะ ศา ส, สนานี้พร้อมมูลบริบูรณ์อยู่แล้วเราจะไม่เห็นในทางคำสอนอื่นเลยที่จะพร้อมูลอย่างนี้เราจะไม่เห็นเลยนี่คือเห็นแบบนี้นะคุณจะไม่เห็นอย่างอื่นเลยค่ะนะถ้ากับว่ า, าถ้าเรามาพิจารณาตามเนี่ยก็ถือว่าสบายใจได้ในระดับหนึ่งม่ระดับสบายใจได้ทีเดียวเห็นไหคะใช่คือมันจะไม่เห็นภัยอะไรที่มันจะมาทำอันตรายได้เลยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะ แต่คือหมายว่าถ้ามันไม่เป็นอ่ะเช่นพิษุปุลกลางเป๋บ้างพิษุเทระเป๋บ้างมันก็จะเริ่มมีการผูกกร่อนเนี่ยค่ะท่านข้าดิฉันจะกล่าบเรียนคําถามนี้ค่ะพระพุทธองค์เนี่ยได้บัญญัตินอกเหนือจากธรรมะใช่ไหมคะที่ได้ส่งค้นพบแล้วเนี่ยคือมันอาจจะเป็นของเก่าที่มีอยู่ด้วยอะไรก็ตามทีนแต่ในส่วนของพระวินัยพระพุทโธง์ก็ได้บัญญัติเอาไว้แล้วก็วางเอาไว้ให้ใช้กันมา โดยเริ่มวางพระวินัยตั้งแต่บัญญัติพระวินัยตั้งแต่ตอนเกิดปัญหาใช่ er เพื่อมีเอาไว้แก้ปัญหาจากวันที่มีวินัยข้อแรกจนถึงปรินิพานเนี่ยรวมแล้วมีกี่ข้อและเพียงพอที่จะใช้ในปัจจุบันไหมคะเพราะว่าเมื่อท่านพูดถึงว่าเมอนก็ขึ้นอยู่กับพระพภิกษุปูนกลางปูนใหม่ที่เขาเข้ามาใช่ไหมว่าถือบ <ข speed S 1> ุปาชอบอ่า เ พ, เพียงพอไหมคะที่จะใช้เอเพียงพอแน่นอนเพียงพอแน่นอนท่านยืนยันไว้ว่าทำก็ดีวินัยก็ดีที่พระพุทธเจ้าประกาศเนี่ยมันมันเพียงพออยู่แล้วในการที่จะให้คนบรรลุนิพพานได้เพียงพอแน่นอนเอาเอาแค่นิพพานอย่างเดียวเหรอคะเพราะว่าดิฉันกําลังดูว่าเหมือนกับมีความพยายามที่จะช่วยช่วยเหลือพระวิ น, ยนะะัยค่ะในการที่จะดูแลสงฆ์จําจเป็นไหมคะจําเป็นแน่นอนเรื่อ ง, องวินัยนี่จําเป็น พระพุทธเจ้าเปรี๋เหมือนกับดอกไม้นีที่สวยงามก็จริงอ่ะก็คือเหมือนพิกษุตแต่ละรูปเนี่ยดีงามก็จริงอ่ะแต่ถ้าบอกว่าวางไว้บนพื้นที่ราบสม่ําเสมอเนี้มีลมมพัดปุ๊บมันก็จะแตกกระจายกันไปแต่ถ้าร้อยเอาไว้ให้เป็นพวงมาลัยนี่ร้อยเอาไว้ด้วยให้เป็นพวงมาลัยมันก็จะสวยงามแบบพวงมาลัยมันจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันการบัญญัติวินัยเนี่ยก็เพื่อตรงนี้ะจะมีการบัญญัติวินัยเพื่อร้อยเรียงให้เสมอกันสามัคคีกัน ไม่ได้แตกไปเป็นเกจิอาจารย์แบบสายนั้นสายนี้แต่ให้มีความสามัคคีกันปฏิวัติพร้อมปเปลี่ยนกันอันนี้จะเป็นความสวยงามความงดงามในธรรมวินัยนี้ค่ะงั้นถ้าดิฉันศุกเองก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้านาพระวินัยมาใช้จริงๆนะเพียงพอต่อการที่จะทำให้สังฆนี้เป็นสังฆที่ส า, สามารถที่จะสื่อทอดพระพุทธศาสนาใช่ให้เกิดประโยชน์ สังขานี่สังขานี่หมายถึงหมู่นะหมูใ่ใน <c oughs> ที่นี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่ภิกษุนะหมู่เนี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่คือสังฆะแต่คือสงเนี่ยแปลว่าหมู่สงนี่ไม่ใช่ว่าภิกษุอย่างเดียวนะคําพูดที่เราจะไม่จะพูดกันไปด้วยคือภิกษุสงก็จะแปลว่าหมู่ภิกษุแต่สงนี่คือหมู่สงสาวกคือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนไม่ได้เฉพาะจอดจงไว้ว่าต้องเป็นภิกษุหรือไม่นะก็ต้องเป็นภิกษุด้วยเป็นอุบาสกอุบาสิกาด้วย นัน่เป็นนักบวชทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เป็นอุบาสกทั้งผู้ชายผู้หญิงในที่ครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยคือจะเป็นความครบถ้วนบริบูรณ์ของคําสอนนี้ที่จะทําให้เราไม่เห็นคําสอนอื่นอะไรที่จะบริสุทธิ์บริบูรณ์เท่านี้อีกอืมค่ะในะคะวันนี้ก็ได้ความรู้กันเยอะทีเดียวสําหรับสิ่งที่พระพุทธองค์ของเราได้ส่งฝากเอาไว้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคําสอนที่จะทําให้เราอยู่กันอย่าง ร่มเย็นเป็นสุขแล้วชนิดที่ว่าไม่ใช่เป็นคําสอนจํากัดเฉพาะชาวพุทธที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นคําสอนที่จะเป็นธรรมสำหรับทั้งโลกได้เลยออย่างนั้นไหมคะยินดีป้อนใจนะคะน้อมสักการขอบพระคุณท่านเพริพุณเป็นอย่างยิ่งค่ะยินดีป้อนท่อนฟังที่เครารพค่ะในการสัมสีสนทนานะคะสําหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องลาท่านฟังกันไป แต่เพียเท่านี้นะคะติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจำค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยท่านเพบู่นั้นก็จะอยู่กับพวกเราที่จะสนทนารรมโดยท่านเองเนี่ยในวันจันทร์ถึงวันพุธและพอวันพฤหัสบดีก็จะมีดท่านไปร่วมสนทนาธรรมนะคะวันนี้ลากันไปปต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะพุทวสวัสดีค่ะ